มิหากกงม้ามปะผาสังปอดอันตังไสใหญ่อันตกบนุนังไสเล็กหรือว่าสายรัดไสผอ้รยผู้ดยังอาหารใหม่กรีสังอาหารเก่าเป็นสิบเก้า แต่ได้ตรัสเติมในที่บางแห่งคือมัทเธเกมัทธลงกังขอม่องในขอม่องศิษะก็รวมเป็นยี่สิบนี้เป็นส่วนปฐวีธาตุธาตุดินคือเป็นส่วนที่แข็ง ส่วนที่เป็นอาโปธหัดหัดน้ำตัดแสดงเอาไว้สำหรับพิจารณาก็คือปิดตังน้ำดีเสมหังน้ำเสลกอบโบน้ำหนองน้ำเหลืองโลหิตตังน้ำเลือด เสโดน้ำเงือเมโดมันข้อนอัตสุน้ำตาวสาวมันเหลวเขโลน้ำลายสิงคานิกาน้ำโมกละสิกาไขข้อมุดดังมุด รวมเป็นส2บสองส่วนที่เป็นบัตวีธาตเติมหมองในหมองศีรษะเป็นยี่สิบกับส่วนที่เป็นอาโปธาตสิบสอง ก็รวมเป็นอาการ32ดังที่รู้จักกันแต่ที่ตัดแสดงไว้โดยมากนั้นเพียงอาการ31คือไม่มีข้อคำมองในคำมองศรีรษะ พระอาจารย์แสดงว่ารวมอยู่ในข้อเยื่นในกระดูกอธิมินยังเยื่นในกระดูกหรือว่า อีกในยะหนึ่งรวมอยู่ในข้ออธิยังหัวใจซึ่งเป็นที่เข้าใจกันในครั้งก่อนว่าเป็นสิ่งที่ให้สำเร็จความคิดนึกด้วย เมื่อเติมขมองในขมองนิสระเข้าจึงเป็นอาการสามสิบสองแม้ส่วนที่เป็นเตโชธาตุธาตุไฟวายโยธาธาตุลมก็ได้มีตรัสจำแนกเอาไว้ สำหรับที่เป็นเตโชทาตัาตไไ้ก็คือไฟที่ทำให้ร่างกายอบอุ่นไฟที่ทำให้ร่างกายช็มรดสุดโศ่งไฟที่ทำให้ร่างกายเร่าร้อน ไว้ที่ย่อยอาหารคือที่ช่วยย่อยอาหารในลำไส้นี่ก็เป็น เตโชธาธาดไฟส่วนที่เป็นวายโยธาธาดลมดิี่ัะแสดงไว้สำหรับพิจารณาก็ได้เก็บลมที่พัดขึ้นเบื้องบน ล, ลมที่พัดลงเบื้องจ่ำลมในท้องลมในไส้ หรือในกระเพาะลมที่สัดไปพัดไปตลอดอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายลมอัดสาสัลมหายใจเข้า ลมปัดซาสะลมหายใจออกสำหรับที่ตัดสอนให้พิจารณาทางปฏิกูลไม่สะอาดไม่งดงามก็ยกเอาปัุวีธาธาดลิน อาโปธาธาตุน้ำจำแนกออกไปเป็นส่วนๆเป็นอาการสาสอหรือสาสสองดังกล่าวสำหรับที่ตัดจำแนกไว้ครบทุกธาตุก็เพื่อพิจารณาให้เห็นสักแต่ว่าเป็นธาตุ ไม่ควรที่จะยึดถือเมื่อเป็นของเราเราเป็นสิ่งเหล่านี้รือสิ่งเหล่านี้เป็นอัตตาตัวหลนของเราก็ เ, าเป็นอันว่ามหาภูตา ร, รูปทั้งสี่นี้ หรือว่าธาตุทั้งสี่นี้ได้ตรัสสอนให้ใช้เป็นกรรมฐานได้ทั้งทางสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานและในการแสดงรูป ก็จำแนกรูปอกเป็นมหาภูทธ ร, รูปทั้งสี่คือธาตุทั้งสี่ดังกล่าวซึ่งเป็นกล่าวเป็นส่วนรวมอันได้แก่ส่วนที่แข็งแข็งก็เป็นมหาพูทธ ร, รูปส่วนที่เป็นดินส่วนที่เหลีวไหลก็เป็นมหาพูทธ ร, รูปส่วนที่เป็น น้ำส่วนที่อบอุ่นก็เป็นมหาภูตารูปส่วนที่เป็นไฟยส่วนที่พัดไว้ก็เป็นมหาภูตารูปส่วนที่เป็นลมกล่าวรวมๆนี้หมวดหนึ่งของรูป อีกมดหนึ่งของรูปก็คืออุปาทายรูปที่แปลว่ารูปอาศัยคือเป็นรูปที่อาศัยอยู่แห่งมหาภูตารูปทั้งสี่เหล่านี้กันได้แก่ประสาธทธาห้า คือสิ่งที่ให้สำเร็จการเห็นเรียกว่าจักขุปรสสาทสิ่งที่ให้สำเร็จการได้ยินเรียกว่าโตสตปัสสสิ่งที่ให้สำเร็จการทราบกลิ่นเรียกว่าคานาปรสสัต สิ่งที่ให้สําเร็จการทราบรถเรียกว่าชิวหาประสาทสิ่งที่ให้สําเร็จการถูกต้องเรียกว่ากายประสาทโคจรคืออารมณ์อันเป็นที่เที่ยวไปของประสาททางห้านั้น ค่าก็คือรูปที่เป็นวิสัยของจักขุู่ประสาทเสียงที่เป็นวิสัยของโสตรประสาทกลิ่นที่เป็นวิสัยของประสาทรสที่เป็นวิสัยของชิวหาประสาทผต่ะสิ่งถูกต้องที่เป็นวิสัยของกายประสาท ภาวะคือเพศสองได้กับอิทธีภาวะภาวะเป็นหญิงหรือเพศหญิงปุริสาภาวะภาวะเป็นชายหรือเพศชาย ปกินกนกะข้อเบตเร็จีอันได้แก่หัดไทยหมายถึงสิ่งที่ให้สำเร็จความคิดนึกชีวิตอินรีอินรีคือชีวิต ได้แก่ความเป็นอยู่ของรูปปะกายหรือสิ่งที่ให้รูปปะกายเป็นอยู่ดารงชีวิตอยู่อาหารหมายถึงโอชะของอาหารที่บริโภค เข้าไปเป็นโอชสซึมราบไปเลี้ยงร่างกายอากาศช่องว่างอันเรียกว่าปริเฉธรูปคือเป็นรูปที่สำหรับ กำหนดขอบเขตหรือปันขอบเขตเป็นต้นว่านิ้วทั้งห้าของบุคคลไม่ติดเป็นพืชเดียวกันแบ่งออกเป็นห้านิ้ว มีช่องว่างในระหว่างทั้งห้านิ้วสิ่งที่ทำให้นิ้วทั้งห้านิ้วนี้แยกกันออกเป็นห้านิ้วได้ก็เพราะมีอากาศคือช่องว่างในระหว่างถ้าไม่มีอากาศคือช่องว่างในระหว่าง นิวทั้งห้านี้ก็จะติดเป็นพืชอันเดียวกันทั้งหมดแต่เพราะมีอากาศคือช่องวางให้ระหว่างจึงได้แบ่งเป็นห้านิ้วแยกกันไปได้เพราะฉะนั้นอากาศจึงเรียกว่าปริเทธรูปรูปที่กำหนดตัดเป็น ส่วนเป็นชิ้นเป็นอันห้มีขอบเขตของส่วนนั้นๆของร่างกายวิญญาตสองอันได้แก่กายอยวิญญาต ความเคลื่อนไหวทางกายวจีวิญญาตความเคลื่อนไหวทางวาจาที่เรีวิญญาต น, นเพราะความเคลื่อนไหวดังกล่าวทําให้เกิดความรู้กันได้ โดยใช้กายเคลื่อนไหวก็เรียกว่ากายยุวิญญาตเช่นทำ ม, มือแสดงความหมายให้เข้าใจกันและเมื่อใช่าวาจาพูด สำหรับที่จะให้เข้าใจกันก็เรียกว่าเวอร์จีวิญญาตวิการคืออาการที่ต่างๆกันสามได้แก่ความเบาของร่างกาย ร่างกายที่ยังมีชีวิตยอยู่นี้เบากว่าร่างกายที่สิ้นชีวิตความอ่อนของร่างกายคือร่างกายที่มีชีวิตนี้อ่อน เช่นแขนจะยกขึ้นยกลงจะงอแขนจะกางแขนก็ทำได้ขาก็เหมือนกันจะยืนจะนั่งจะพับขาจะเหยียดขาก็ย่อมทำได้มีความผ่อนไม่แข็งกระด้างเหมือนอย่าง คือร่างกายของคนตายความควรแก่การงานคือใช้ร่างกายประกอบการงานต่างๆได้ตามตรงการใช้มือใช้เท้าเป็นต้นได้ต่างๆ ต่างจากร่างกายของคนที่ตายแล้วเป็นศพไม่ควรเกิดการงานใช้ทําการงานอะไรไม่ได้ลักษณะ4ก็คือความที่เติบโตได้เติบใหญ่ได้ ดังเมื่อแรกเกิดมาก็เป็นเด็กเล็กก็เติบโตขึ้นเป็นเด็กใหญ่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเป็นต้นความสืบต่อตัวเช่นผมเก่าหลุดไปผมใหม่ก็งอกขึ้นมาแทน เล็บเก่าหมดไปเล็บใหม่ก็งอกขึ้นมาแทนเหมือนอย่างเมื่อโกนผมผมก็งอกขึ้นมาแทนได้ตัดเล็บเล็บ ก, ก็งอกยาวออกมาได้เป็นความสืบต่อความชรา คือความจงรุดสุดส่งกับอนิจจตาความไม่เที่ยงก็คือต้องมีเกิดต้องมีดับในที่สุดเกิดก็คือธาตุมาประชุมกัน ดับก็คือว่าธาตุทั้งหลายแตกสลายเป็นอนิจจตาความไม่เที่ยงทั้งหมดนี้เรียกว่าอุ ป, ปาถายรูปรูปอาศัยอาศัยแห่งมหาพุตรรูปทั้งสี่ ซึ่งก็รวมเป็นยี่สิบห้ามหาพูตารูปสีป่ภูพาทายรูปยี่สิบห้าก็รวมเป็นยี่สิบเกแต่ว่าท่านมักจะตัดโคจร5้าเหลือสี่ ในอุปาทายรูปซึ่งโคจรห้านั้นก็ดังที่ได้ก ล, าล่าวแล้วได้แก่รูปอันเป็นวิสัยของจักษุเสียงอันเป็นวิสัยของโสตะคือหูกลิ่นอันเป็นวิสัยของคานะคือจมูกรสอันเป็นวิสัยของหิวหาคือลิ้นและโผลพภะอันเป็นวิสัยของ กายะคือกายอันมักจะตัดข้อพลทพานี่ออกเสียโดยเอาไปรวมเข้าในข้อที่หนึ่งคือรูปที่เป็นวิสัยของจักสุเพราะว่าพลทพานั่นก็เป็นรูปเหมือนกันโราจะนั้นเมื่อเอาไปรวมก็เข้ากับ ข, ข, ข้อรูปรูปข้อที่หนึ่งนั้น ยังเป็นวิสัยของจกักษุด้วยเป็นวิสัยของกายด้วยเพราะฉะนั้นโคจรห้าจึงเหลือสี่เมื่อโคจรห้าเหลือสี่ปุปาทายรูปที่มีทั้งหมดยี่สิบห้าจึงเหลือยี่สิบสี่ฉะนั้นเมื่อรวมเข้ากับมหาพูทธรูปอีกสีก็เป็นยี่สด เราจะนั่นในอภิธรรมจึงมักจะแสดงวารูปทั้งหมดทั้งมหาพูทรูปทั้งอุปาทายรูปมียี่สิบปดเหล่านี้คือรูปสัมมาทิฏฐิก็คือรูจ้จักรูปรู้จักนา ม, มารูป รู้จักนามรู้จักรูปรู้จักนามก็ได้เรู้จักเวทนาสัญญาเจตนาผัสสมนัสิกัรดังที่ไ้กล่าวอธิบายแล้วรู้จักรูปก็คือรู้จักมหาภูรูตรูปทั้งสี่และรู้จักมหาและรู้จักภูป า, ายรูป แห่งมหาภูตรรูปทั้งสี่นั่นต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังส่วนและตั้งใจทงความสงบสึกต่อไปบัตรนี้จะแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้น ก็ขอให้ทุกๆท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและประสงค์เป็นสารณะตั้งใจสํารวมกายวาจาใจ ให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงพระเถราธิบายเรื่องสมาธิ ตามที่ภิกษุทั้งหลายได้กรบเปลียนถามท่านพระสาริบุตรเทระมาโดยลำดับและเมื่อท่านตอบไปตอนหนึ่งตอนหนึ่งแล้ว พิสุทั้งหลายก็ถามตอบไปว่ายังจะมีปริยายคือทางแสดงอย่างอื่นอีกหรือไม่ท่านก็ตอบว่ามีในวันนี้จึงถึงข้อที่ท่านตอบ ว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบก็คือรู้จักวิญญาณรู้จักเหตุเกิดแห่งวิญญาณรู้จักความดับวิญญาณรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับวิญญาณ แล้วท่านได้อธิบายไปทีละข้อว่ารู้จักวิญญาณก็คือรู้จักหมู่แห่งวิญญาณหคือหมู่แห่งจักขุวิญญาณ วิญญาณทางตาโมโหมู่แห่งโสตวิญญาณวิญญาณทางโโหาูหมู่แห่งคานวิญญาณวิญญาณทางจมูกหมู่แห่งคิวหาวิญญาณวิญญาณทางลิ้นหมู่แห่งกายวิญญาณวิญญาณทางกาย โมแห่งมโนวิญญาณวิญญาณทางมโนคือใจรู้จักเหตุเกิดแห่งวิญญาณก็คือรู้จักว่าเพราะสังขารเกิดวิญญาณจึงเกิด รู้จักความดับแห่งวิญญาณก็คือรู้จักว่าเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับจากทางปฏิบัติให้ถึงความดับวิญญาณก็คือรู้จักว่ามักมีองค์แปดมีสมาทิฐิความเห็นต้นเป็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับวิญญาณ จะได้แสดงอธิบายในหมู่แห่งวิญญาณหกนี้ต่อไปอันคำว่าวิญญาณ น, นั้นได้มีใช่ ในพุทธศาสนาหลายความหมายและว่าถึงถ้อยคำ